Book 2 <33. S> 3สา r e ิบสา3ทริวีท่ีส่สถานีรถไฟสนสถานีรถ รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะคูนิรีเทตอเอรเบลนคเทรีนิเตออร์เบอร์ลินรถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะค n นิเซทเทรนเทีนิเทออร์ปารีส รถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะ Kur niset treni t h e t e r per l o n d Kur niset treni t e t r p r l o n d รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ n o r niset treni per v a r s a n h o r niset treni p r a r s a รถไฟไปสตอกโฮล์มออกกี่โมงคะน n ่งช r ร n i s e ต t r e ร i p เ r ิร์สตอกโฮรถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะ่งนิสต์เทรนนบูดส ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะตั๋วนบิเลต์ไมาดริดดิฉันต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ค่ะตั๋วบิเลต์ไปปรากดิฉันต้องการตั๋วไปเบอร์นหนึ่งที่ค่ะนบิเลต ไเบิร์นบิเลเบิร์นรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไรคะคูอาริเร น, น, นเนรเ ร, นนนเนรถไฟถึงมอสโกเมื่อไรคะค รรถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไรคะคูริรินเตรคอนินอัมสเตอร์ดมดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะอาต het t ่นดรอยเทรนอาดูดรอยเทรน รถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะนัดที่นังแพลตฟอร์มนีเซตรีทรนีน ร, น ร, นรถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะอาคาวากอนจูมินเทรนอาคาวากอนาจูมินเทรนดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลหนึ่งเที่ยวคะ่ะ ดูวาเปซลดูว่าเทันปรุกเซลดิฉันต้องการตัวกลับโคเปนเฮเกนค่ะด้วยนิวบิเลตคิมี ป, โโ ป, ปนฮัดนดวคีเอนคเ ป, ปนฮากันที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหรค่คะ สักครั้งที่นิ่ว n ห็นน e วว n กอนนินเมชเทรดเด t ë r